อาวาสิกะวัตตกะถาว่าด้วยวัดปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ในอาวาสสมัยนั้นภิกษุผู้อยู่ประจำในอาวาสเห็นภิกษุอาคันตุ ก, กะทั้งหลายแล้วไม่ปูอาสนะ ไม่ตั้งน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไม่ลุกรับบาทและจีวรไม่นำน้ำดื่มมาต้อนรับไม่นำน้ำใช้มาต้อนรับไม่ไหว้ภิกษุอาคันตุกะผู้แก่พรรษากว่าไม่จัดเสนาสนะให้บรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษพากันตำหนิประนามโพนทนาว่า ฉไหนภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวาสทั้งหลายเห็นภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายแล้วไม่ปูอาสนะไม่ตั้งน้ําล้างเท้าต่างรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไม่ลุกรับบาทและจีวรไม่นําน้ําดื่มมาต้อนรับไม่นําน้ําใช้มาต้อนรับไม่ไหวภิกษุอาคันตุกะผู้แก่พรรษากว่าไม่จัดเสนาสนะให้เล่า ครั้งนั้นแหละภิกษุเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ประจำในอาวาสเห็นภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายแล้วไม่ปูอาสนะไม่ตั้งน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้า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 ทรงแสดงธรรมมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเราจะบัญญัติวัดแก่ภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวาสทั้งหลายโดยที่ภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวาสทั้งหลายจะต้องประพฤติชอบภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวาสเห็นภิกษุอาคันตุกะผู้แก่พรรษากว่า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 ภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวาสพึงอภิวาทภิกษุอาคันตุกะผู้แก่พรรษากว่าจัดเสนาสะนะถวายว่าเสนาสะนะนั่นถึงแก่ท่านบอกเสนาสะนะที่มีภิกษุอยู่หรือไม่มีภิกษุอยู่บอกโคโจรคามและอโคโจรคามบอกกระกูลที่เป็นเศคารสมมตบอกวัชกูดี บอกน้ำดื่มน้ำใช้บอกไม้เท้าบอกกติกาสงที่ตั้งไว้ว่าพึงเข้าเวลานี้พึงออกเวลานี้ถ้าภิกษุอาคันตุกะเป็นพระนวกะภิกษุผู้อยู่ประจำในอาวาสพึงนั่งลงบอกว่าท่านจงวางบาทที่นั่นวางจีวรที่นั่นนั่งบนอาสนะนี้ พึงบอกน้ำดื่มพึงบอกน้ำใช้บอกผ้าเช็ดรองเท้าพึงให้ภิกษุอาคันตุกะที่เป็นพระนวิกะให้อภิวาสบอกเสนาสนะว่าเสนาสนะนั่นถึงแก่ท่านบอกเสนาสนะที่มีภิกษุอยู่หรือไม่มีภิกษุอยู่บอกโคจรคามและอโคจรคามบอกประกูลที่เป็นเสขะสมมต บอกวัดจักุดีบอกน้ํำดื่มบอกน้ําใช้บอกไม้เท้าบอกกติกาที่สงตั้งไว้ว่าพึงเข้าเวลานี้พึงออกเวลานี้ภิกษุทั้งหลายนี้คือวัดของภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวาสทั้งหลายโดยที่ภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวาสทั้งหลายต้องประพฤติชอบ